พระธรรมเทศนาแผ่นที่87ลำดับที่21โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดปาด่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่16กุมภาพันธ์2559มีชื่อเรื่องว่าแบ่งกินแบ่งทาน วันนี้เป็นวันที่สิบหกกุมภาพันธ์พุทธศักราชสอง9ันห้าร้อยห้าสิบเก้าวันนี้เป็นวันขึ้นเก้าค่ำเดือนสามอากาศก็รู้สึกว่าอุ่นขึ้นแล้วนะลูกลานนะีต่อไปเนะี่ยคงจะเข้าเขตร้อนกระมังอะไรทีนี้เพราะมันเดือนกุมภาพันธ์แล้วกุมภาพันธ์มีนามีนามันเขต ไ ม, ไม่หนาวไนะม่หนาวมีนาไม่ตะร้อนอนะ่ะเมษาเนะี่ยไม่ต้องว่าดนะ น, นี่คือดินฟ้าอากาศแต่ผู้ใดเมื่อวานนี่ยเรูปรูปที่ถ่ายรูปกับพระองค์โสมที่มางานที่กรถินนะใครที่ถ่ายรูปพับพระองค์ท่านก็มารับได้กูบา ก็มอบให้ใครเป็นคนดูแลเนอะตาไม่ใช่รูปตนเองอย่าไปเอาตาเอาไปแล้วก็คนที่มาทีหลังก็ไม่รู้จะส่งไปที่ไหนใครก็มีความหมายสาหรับของตัวของแต่ละตัวเองนีบางคนก็รับไปสุม 4, สี่ซุมห้าไม่ได้ดูรายายได้ละเอียดเห็นก็ให้แล้วก็รับไปไม่รู้ว่าลูบกองไข่ไปแล้วก็ทิ้งทิ้งคว่าง พราตัวเองไม่สำคัญแต่เจ้าขาเจ้าเจ้ารูปเจ้าภาพของเขานะสำคัญมากจะได้ถ่ายรูปว่าพระองค์อองท่านนะมันไม่ใช่ว่าจะไดถ่ายได้ง่ายๆต้องถ่ายตั้งแต่เดือนตลุลาเพิ่งมาได้วันนี้เมื่อวานเนะี่ยส่งขึ้นมาเมื่อวานนะลูกหลานนะได้มาแล้วก็แจกดู เอาไปติดเอาไปใส่กรอบเป็นที่ระลึกในช่วงชีวิตหนึ่งได้ถ่ายรูป ก, กับพ่อปรมวงสารวงเป็นจิิมงคลของชีวิตอันนี้คือชีวิตชีวิตที่เป็นมงคลเป็นถ่ายรูปภาพเอาไว้ แต่ว่ า, าชีวิตบางช่วงไม่เป็นมงคลเราก็ไม่อยากจะเห็นอีกบางทีโมโหโกถาหน้าบูดหน้าเบี้ยวถ้าใครถ่ายรูปในช่วงนั้นเดคงจะไม่อยากจะให้ถ่ายเหมือนกันนะในช่วงไหนยิ้มแย้มแจ่มใส อ, อยากจะรู้นะเวลาจะถ่ายรูปนะยิ้มนะนั่นะสรุปแล้วก็คือ การแสดงออกในชุมชนสังคมในตัวของเราเราต้องการความดีสรุปแล้วสิ่งที่มันไม่ดีเราจะไม่ทำและก็พร้อมกันวันที่22นะคณะสัทยาญาติโยมลูกหลานสวดมนวันที่21สบ็ดสวดมนเย็นที่ศาลานอกวันที่ยี่สิบสอง เช้าทําบุญตักบาตรแล้วก็อุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปการะคุณอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวแต่ผู้ที่มาช่วยตั้งโรงทานกับม า, าตั้งแต่เนินๆสักหน่อยก็ดีเหมือนกันนะหลวงพ่อว่านะแต่ผู้มีกำลังเปือเลี้ยงแขกเลี้ยงขนกลางตรงกลางเตง้น ทำความสะอาดปัดกวาดล้างถ้วยชามมันก็นได้อยู่ได้กินแต่ถึงยังไงพวกในครัวนะ่าจะช่วยกันดู <c oughs> ถ้าหากว่าไม่มีทางนอกมากับพวกในครัวนะดูเป็นภาระทุระเลี้ยงพี่น้องลูกหลานทัาวจะไงงานแต่ลุงพ่อไม่ได้อยู่ดนะ้วยลูกหลานนะ หลวงพ่อจะไปธุระแล้วนะสักสองสามวันคงจะกลับขึ้นมาพอไปกรุงเทพไปแสดงโคมดมลไปแสดงธรรมเทศไปใน ง, งานหลวงพ่อพอมีอายุพรรษาขึ้นมาก็อย่างนี้แหละอย่างทุกหลานได้เห็นนะ่ะก็ยังดีนะหลวงพ่อไม่ค่อยได้ไปที่ไหนง่ายๆ แต่ตามไม่จริงวันนี้นะ่ะจะได้ไปแสดงธรรมที่วัดป่าบานันคอตอนเย็นแค่วันพรุ่งนี้วันที่17ลงพ่อไปทุกปีแต่ปีนี้ก็ขอขอยกเว้นเพราะจะได้ลงไปกรุงเทพนั่นวันนั้นการประกอบคุณงามความดีการสังสมคุณงามความดีทั้งหลาย เก็บเล็กผสมน้อยนะลูกหลานคณะัตยาญาติโยมทำบุญทำทานตั้งโรงธงโร ง, โรงทานไปบัางเราก็ไม่ได้ตั้งทุกวันปีหนึ่งก็มีครั้งหนึ่งหรือสองสามครั้งแต่เราทำมาหาเลี้ยงชีพยอย่างอื่นเราก็ทำไปการสร้างบุญสร้างกุศลพวกเราควรจะใส่ใจบัางแต่ก็ไม่ให้หนักหนา พระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสกับนางวิสาขานะคนที่จนไม่มีเงินแต่มีศรัทธาก็ไม่สามารถที่จะทําได้ไม่สามารถที่จะทําบุญได้เพราะอะไรเพราะมีศรัทธาอยู่แต่จนแต่บางคนก็รวยอยู่แต่ไม่มีศรัทธาก็ไม่สามารถที่จะทําได้เพราะอะไร เพราะไม่มีศรัทธาความเชื่อถึงจะมีเงินอยู่ก็ไม่สามารถที่จะทําได้แต่บางคนทั้งมีศรัทธาด้วยทั้งมีทนนทรัพย์ด้วยอันนั้นแปลว่าทำได้อย่างเต็มที่เพราะมีความเชื่อในะจิตใจ น, นั่นแหะอันไหนถึงเราจะให้พร้อมซะก่อนเราจรึงจะคิด ทำถึงขนาดนั้นก็ไม่ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่เราทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลแต่ไม่ให้มนแต่ไม่ให้ตนเองเดือดร้อนแต่ทําไปแล้วไม่เดือดร้อนทําไปได้ได้สบายดังนั้นเราก็ควรจะเก็บหอมหลอ ม, อมริบเหมือนกับน้ำฝนตกมาใส่ตุ่มของเราทีละยตทีละหยาิทีล ะ, ะ, ะเล็กทีละน้อย ต่อไปมันก็เต็มตุ่มเต็มโอง่งขึ้นมาได้เพราะอะไรเพราะฝนตกลงมาทีละหยดนี้ก็เหมือนกันถ้าว่าพวกเราไม่ใส่ใ จ, จเสด็จรวยซะก่อนยังค่อยจะจะทําบุญไม่รู้วันไหนจะรวยผลที่สุดตายแล้วตายอกีกผลที่สุดจนไปหน้าแต่ตพัฒพฤเพราะอะไรเพราะไม่ได้ทําบุญเพราะนั่นในพวกเราคิดไปถึงจะมีน้อยอเราก็แบ่ง การทำบุญส่วนหนึ่งถ้ามีมากเราก็ทำมากแต่มีน้อยเราก็ทำาน้อยแต่ไม่ทำเฉลยอันนั้นไม่น่าจะถูกเรามีกินมีอยู่มีกินในหลักโบราณคนโบราณเขาบอกว่าให้แบง่งแบ่งกินแบ่งทานคล้ายๆกับว่าตัวเองกับมีกินแล้วก็ทำบุญทำทานไปด้วย บุญกุศลตัวที่เองตัวเองได้ทำนั่นแหละมันจะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจของเราเกิดมาพบใดชาติชาติใดความอดอยากก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราเพราะเรายินดีในการทำทานถึงตกทุกข์จนยังไงอีกสักวันหนึ่งบุญกุศลก็จะพยุงมาโดยบังเอิญมาโดย ที่เราไม่คาดคิดก็ามาช่วยเราพยุงเราเราก็เนี่ยนะคนมีบุญไปตกตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คนโบราณเขาพูดอย่างนั้นนี้ก็เหมือนกันนะ่ะพวกเราเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เนี่ยอย่าตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไป ให้สังสมบุญกุศลไปเรื่อยทั้งให้ทานด้วยรักษาศีลด้วยภาวนาด้วยสรุปแล้วก็ให้ตั้งศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อในจิตใจศรัทธาคานี้นหะท่าคนมีศรัทธาอยู่ในจิตใจแล้วนะ่ะแต่ก็ต้องวิเคราะห์ว่าการเชื่อของเรานี่การประพฤติปฏิบัติของเราเนี่การที่ได้ยินได้ฟัง จากครูบาอาจารย์มีเหตุผลมากน้อยแค่ไหนอันนี้เราต้องวิเคราะห์วิเคราะห์แล้วก็ปฏิบัติตามตามที่เราได้ยินได้ฟังเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วก็ปฏิบัติตามไปทีละน้อยละน้อยเหมือนกับเราเป็นเด็กเชื่อฟังผู้ใหญ่ต่อไปเราใหญ่ขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติได้เราก็ต้องศึกษามาจากผู้ใหญ่ก่อน จากนั้นผู้ใหญ่แนะนำสางไงผลที่สุดเราก็เดินตามพอเดินตามรู้อันไหนเป็นโทษอันไหนเป็นคุณอันไหนดีอันไห น, น, น, นเลวอันไหนถูกต้องไม่ถูกต้องอันไหนควรทำอันไหนไม่ควรทำเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วเรารู้ได้แต่ก่อนที่จะรู้ได้ขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ว่าปุบ ป, ปรับรูดทั้งหมดไม่ใช่นะต้องเรียนรู้ขึ้นมา ปลูกศรัทธาขึ้นมาก่อนศรัทธาคือความเชื่อทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วบาป บ, บุญคุณโทษมีจริงไม่มีจริงได้ยังไงโทษนะถ้าเราทำโทษเดี๋ยวนี้เราก็ไปกิติดคุกทันทีเนะจ้าหน้าที่ก็ต้องจองจำเราทันทีนะพอเราทำไม่ดีทำไม่ดีจะจะดีได้ยังไง ถ้าคนทำดีแล้วจะเลวได้ยังไงถ้าคนทำดีแล้วมันก็ต้องดีในเมื่อคนทำชั่วมันก็ต้องชั่วนะเพราะนั้นในเราเชื่อกำเชื่อผลของกรรมกรรมคือการกระทำถ้าเราทำดีแล้วอยู่นะัดไหนสถานที่ได้ดีทั้งหมดนะลูกหลานนะสธาญาติโยมเพราะนั้นเราเกิดมาทั้งทีชีวิตควรจะประกอบคุณงามความดี อันไหนเป็นบุญอันไหนเป็นกุศลพอที่จะทําอันไหนได้เราก็ทำเก็บหอมรอมริบไปทีละเล็กทีละน้อยต่อไปมันขยายขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับเราคนที่เป็นเศรษฐีเนี่ยทีแรกเขาก็เป็นคนจนบางคนนะแต่คนที่เกิดไม่กอ ง, กองเงินกองทองอีกไม่ว่ากันนะั่นแต่บางคนเกิดมาเนี่ย หาบกขวยเตี่ยวอหาบสิ่งของไปขายอแต่เขารู้จักเก็บหอมหลอมเล็บเก็บหอมลอมริบเก็บที่เล็กๆนะเก็บที่น้นอยอต่อไปก็ใหญ่ขึ้นมาก็ออกทุนอทํามาค้าขายใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆถ้าใหญ่ขึ้นมาก็ซื้อใหญ่ขึ้นไปผลคือค้าขายใหญ่สรุปแล้วก็คือคนมีปัญญาและขยันด้วยนะ คนขยันย่อมหาทรัพย์ได้พร้อมกับคนมีปัญญาคนมีปัญญาคนขยันย่อมหาทรัพย์ได้หาอะไรก็ได้คนขยันกับคนมีปัญญาหาบุญก็ได้บุญหาบาปก็ได้บาปอาทําไมคนมีปัญญาอาจึงหาบาปได้บาปอ้าวคนที่มีปัญญาเฉลียวฉลาดใช่ไหมล่ะแต่มันจิตใจมันเป็นอกุศล จิตใจไปไปในทางเร็วนะจะรู้กฎหมายเนนะี่ยชัดแต่เห็นเขาปีช่องมีทางที่จะคดจะโกงเขาได้ยังไงจะเบียดจะบังเขาได้ยังไงแต่ใช้ปัญญานะแล้ขยันทำอีกต่างหากผลที่สุนะคนขยันด้วยคนมีปัญญาด้วยทำบาปได้มากอีกเหมือนกันเพราะนั้นไม่ใช่ว่ามีปัญญาขยันแล้ว จะทำคุณงามความดีได้อย่างเดียวไม่ใช่นะทําบาปก็ได้บาปมากทีเหมือนกันทําบุญก็ได้บุญมากทีเหมือนกันเพราะนั้นในพวกเราใช้สติใช้ปัญญาใช้ความขยันของเราเนะี่ยไปในทางที่ดีไปในทางที่ถูกต้องไปในทางที่เป็นธรรมถ้าเราทําได้อย่างนั้นน่ะมีแต่ความเจริญผาสุกทั้งด้านจิตใจคิดมาเมื่อไรใจของเราก็สบาย เพราะเราทำแต่ทำแต่คุณงามความดีเราทำสิ่งที่มันไม่ดีนะมันเป็นแผลในใจนะจิตใจของเราจะเป็นแผลคำาันนั้ขึ้นมาเมื่ อ, อไรทําให้ใจไม่สบายเพราะในพวกเราประกอบคุณงามความดีศึกษาธรรมะเพราะครูบาอาจารย์ธรรมเทศนาขององค์หลวงตานะถ้าเราได้ฟังก็ได้ฟังแต่ของหลวงพ่อนะ หลวงพ่อเองก็หลวงพ่อมั่นใจธรรมเทศนาหรือว่าคำคำพูดของหลวงพ่อที่พูดไปแต่ละครั้งมีแต่โน้มน้าวให้พวกเรามองเหตุผลมองเหตุมองผลมองสิ่งควรไม่ควรถูกต้องไม่ถูกต้องเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนั้นนะในครั้งพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นนะอุบาสกอุบาสิกาท่านนี้ท่านนั้นเป็นอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนี้นะ หลวงพ่อมีแต่อ้างเหตุผลให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาถ้าพวกหลวงพ่อเองก็มั่นใจในเอ็มพีสามที่หลวงพ่อได้บอกได้กล่าวเป็นเสียงของหลวงพ่อหลวงพ่อก็ได้ฟังทบทวนอีกเหมือนกันว่าเราพูดไปเนี่ยตัวไหนบ้างที่มันจะทําให้เสียหายแต่หลวงพ่อฟังฟังดูแล้วเอหลวงพ่อยังยอมรับอืม ยอมรับในแนวความคิดเรืแนวคําพูดของหลวงพ่อเพอราะเพราะได้ฟังได้ทบทวนย้อนหลังดูแล้วไม่ใช่พูดไปแล้วก็จบไม่ใช่นะบางครั้งหลวงพ่อก็ฟังฟังดูแต่ทึงไม่ฟังทุกการหรอกที่พูดไปแต่ก็ย้อนย้อนดูฟังดูแล้วหลวงพ่อก็ยอมรับอืม ที่พูดผ่านๆมาเนี่ยเกิดประโยชน์เป็นความจริงที่หลวงพ่อพูดลงไปเนี่ยเป็นความจริงเพื่อศรัทธา ญ, ญาติโยมทั้งหลายให้ได้ฟังถ้าคาไหนที่พูดแล้วมันคุมเคือน่มันคุมเคือไม่ชัดเจนหลวงพ่อเขาจะย้ำให้ชัดเจนขึ้นมาอีกให้เข้าใจ เพราะว่าคําพูดนั้นไม่ชัดเจนแต่ถ้าจะพูดอีกอย่างหนึ่งกับถ้าคนหัวสมัยใหม่แล้วคนมีปัญญานะฟังเทศหลวงพ่อเนะี่ยพ่อฟังไปแล้วจะลาคาญชักหน่อยเหมือนกันนะเหมือนกับคนแก่คนแก่พูดย้อนไปย้อนมาย้อนมาแล้วก็ย้อนไปเพื่อจะให้ผู้ฟังเข้าใจแต่คนที่ หัวเก่าหัวรุ่นเก่าเน่ยฟังแล้วโอ้หลวงพ่อพูดเนีเข้าใจไม่ต้องแปลครับว่าหลวงพ่ออินพูดไม่ต้องแปลพูดแล้วเข้าใจได้ง่ายอันนี้ถ้ยินเสียงสะท้อนย้อนกลับมาไม่ใช่น้อยแต่ว่าถึงยังไงหลวงพ่อก็ไม่ได้ฟังในจุดนั้นจุดเดียวหลวงพอ่อกลนรุ่นใหม่หัวสมัยใหม่ที่เขาเก่งใ น, ในแนวความคิดเขาใช่จติตใช้ปัญญา ในบริหารจัดการเรื่องงานต่างๆเนี่ยเขาฟังไม่จำเป็นจะต้องฟังย้อนหน้าย้อนหลังฟังพูดไปปุ๊บถึงจะพูดเร็วไปะนะเขาเข้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจ <c oughs> อันนั้นแปลว่าพูเข้าใจง่าย <c oughs> <c oughs> ถานี่ยาในหลักทำความสอนก็บ่าพวกกิ ป, ปะพิญญาเนี่ยพวกรู้ได้เร็วมีสติปัญญาที่รู้ได้เร็วพวกทันธาพิญญารู้ได้ช้าเนี่ย ต้องอธิบายนะติดเลยอธิบายให้ฟังพอพูดไปแล้วเอ๊เขาเข้าใจหรือเปล่านะในเรื่องที่พูดไปนี่นะกลับมาย้อนอีกมาพูดให้ฟังอีกย้ำอีกอ้างเหตุผลจุดนะั้นให้ฟังอีกเนี่ยนะจุดๆนี้แหละเป็นจุดที่ผู้ที่คิปปัญญาเนี่ยจะลำคาญใช่จะลำคาญทำไมย้อนหน้าย้อนหลังฮนอะแต่มันก็ยากเหมือนกันนะลูกหลานคณะจัตตารายาโยมนะ การที่จะพูดให้คนเข้าใจนะไม่ใช่ของง่ายๆนะเหมือนขมอลนะัมหรือคนร้องเพลงนะพวกเราอยู่เป็นร้อยเป็นพันนะ่ะจับขึ้นมาร้องเพลงเลยช่แต่เขาลองแต่เขาร้องเพลงนะี่ยตัวเองตีได้พอหน่าไปอยู่ข้างเวทีไม่น่าจะร้องอย่างงั้นไม่น่าจะร้องอย่างนีนไนององนน้ไม่น่าจะออกเสียงอย่างงุนอย่างนีนะ้แต่พอจับไม้จ่อสิบปากเนี่ยปัดไม้จะให้ไวอย่างนั้นนะ ร้องไม่ได้นี่ก็เหมือนกันนะอหมอลําก็เหมือนกันเวลาเขาลําโอ้เสียงน่าจะออกเสียงลีล า, อ ย, า, าอย่างนั้นพูดอย่างนี้อย่างงั้นอพูดได้แต่เขาจับไม้ไม่ใส่เปล่าโอ้พูดเข่าท่าไว้ติเขาเป็นไว้เอาลองลองลองร ำ, ำรู้สเฮอยพูดไม่ออกะนี่ก็เหมือนกันเนะีลยพูดที่จะแสดงธรรมแล้วพูดที่จะเทศนละย มันไม่ใช่ของง่ายเหมือนกันนะจะทําให้คนเข้าใจนะศรัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานนะมันเป็นอีกมุมหนึ่งอีกเหมือนกันแต่หลวงพ่อเนี่ยไม่ใช่นักเทศนะไม่ใช่นักพูดนักเทศเพียงแต่ว่าจําเป็นพู ด, พ, ดพูดให้ฟังแต่หลวงพ่อพูดทั้งวีทวันก็เหมือนกันพูดให้ฟังลูกหลานฟังนะก็ย้อนหน้าย้อนหลังกลับไปกลับมาแต่หลวงพ่อคิดว่าอีกไม่นานะ หลวงพ่อคงจะหยุดพูดแล้วนะพวัะนั้นในขณะที่พูดได้นะพูดพูดสัแสดงความคิดเห็นให้ลูกให้หลานให้คณะทัทธ า, ทาญาโดโยมได้ฟั ง, ไ ด, ฟงได้ศึกษาอันไหนควรจะพูดออกไปวันหนึ่งได้เหลี่ยมหนึ่งวันหนึ่งได้เหลี่ยมหนึ่งชั้นเชิงหนึ่งให้พวกเราได้ฟังอีกสักวันหนึ่งอีกต่อไปภายภาคหน้านะหลวงพ่อคงจะหยุดพูดแนละ้วถึงจะเอาไม้มาจ่อปากหลวงพ่อมีถัดปัดไม้จักให้ไวแล้วนะ โอ้ยไม่ไหวละเจ้าเจ้าเจ้าเนี่ยใครใครอยากจะฟังไปฟังเ p 3มพีสย้อนอันเก่าก็ได้นะผูดไม่ได้ละหยุดแล้วถึงวันหนึ่งมันต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นนะลูกหลานนะต่อเ น, นี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้ผลละพรนั่นที น, นี้นะ